สุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรด้วยนะมองสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมองเหตุการณ์อย่างคนที่มองว่าเนี่ยจะไม่มีอย่างน้อนอย่างนี้ไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีมือถือรุ่นใหม่ ไม่มีงานการที่มั่นคงถ้ามองแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทุกข์นะเพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ถ้ามองว่าเออฉันมีอะไรบ้างนะฉันยังมีลมหายใจฉันยังมีพ่อมีแม่มีครอบครัวฉันยังมีงานทำฉันยังมีบ้านหรือว่ามีที่พักอาศัย หรือว่าฉันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ฉันไม่มีซะอีกนะพอคิดแบบนี้เนี่ยนะทนที่จะทุกข์นี่มันก็กลับมีความสุขนะการมองว่าเนี่ยฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่เนี่ยเนาะเรียกว่าเป็นมองเป็นการมองลบส่วนการมองว่าเนี่ยฉันมีนั่นมีนี่มีอะไรอีกหลายอย่าง อันนี้เรื่องมองบวกการมองบวกนี่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงว่ามีอนาคตที่สดใสนั่นอนาคตเป็นเรื่องข้างหน้าแต่มองบวกที่พูดเนี่ยหมายถึงการที่เรามองปัจจุบันหรือความจริงซึ่งมันก็มองได้สองแง่นะคือจะมองลบหรือมองบวกก็ได้ถ้ามองลบใน ความหมายที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยหรือตัวอย่างที่ยกมาสักครู่เนี่ยฉันไม่มีโน่นไม่มีนีเหมือนคนอื่นเขาก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยอาการมองลบนี่มันก็สามารถทาให้คนเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายทั้งทั้งที่ไม่ได้ลำบากไม่ได้ขัดสนไม่ได้อะไรเลย มีมากมายพรั่งพร้อมแต่เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยมองลบเนี่ยมันถ้าเรามองให้เป็นหรือใช้ให้ถูกนี่มันก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่ว่าจะมีโทษหรือว่าไม่ใช่ว่ามองแล้วเนี่ยจะทาให้เราเป็นทุกข์เสมอไปมองลบเนี่ยถ้ามองให้เป็นนี่มันก็ ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะถ้าหากว่ามองลบมหมายความว่าเนี่ยมองเห็นแต่คำว่าไม่คำว่าไม่นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งนะมองลบเนี่ยมองลบนี่ก็เห็นแต่ไม่มีมองบวกคือเห็นว่ามีมองลบคือเห็นว่าไม่แต่มองบวกคือมองเห็นว่าใช่การมองว่าไม่เนี่ย ในบางแง่มันก็ดีเหมือนกันนะแทนที่จะมองว่าฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่เอามองว่าเนี่ยฉันไม่เจ็บไม่ป่วยฉันไม่พิการฉันไม่นอนติดเตียงฉันไม่หายใจติดขัดฉันไม่ได้อยากจนหรือว่าฉันไม่ได้อาจารัดขาดแคลนฉันไม่ตกงาน ถ้าลองมองแบบนี้สับ้างนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรานี่อย่างโชคดีใครๆหรือว่าคนจํานวนมากนี่ยโอ้ยเขาลําบากนะเขาเจ็บเ้าป่วยแต่ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยนะฉันไม่พิการฉันไม่นอนติดเตียงอ่าพอมองแบบนี้มันก็สามารถจะมีความสุขนะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็ขอบคุณ อะไรต่ออะไรที่ทําใหนะ้ยังไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะเกิดขึ้นกับตัวเราการมองแบบนี้ก็เรียกเป็นการมองลบเหมือนกันนะถ้าหากว่ามองลบหมายถึงว่ามองเห็นนะคําว่าไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่พิการไม่นอนตีเตียงที่จริงมันนี่ก็เป็นแง่หนึงนะหรือความหมายของการมองลบนะมองลบนี่มันมันมีความหมายหลายแง่ เรารู้จักมองลบในแง่นี้บ้างก็ดีที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยจะว่าไปแล้วนี่ธรรมะหลายข้อเนี่ยมันก็เกิดจากการมองลบนะเช่นการมองว่าหรือการสอนว่าไ อ, อสิ่งที่สวยงามเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันไม่สวยไม่งาม ร่างกายเนี่ยนะที่ใครๆเห็นว่ามันสวยงามนะผิวพรรณเป็่งปลั่งนะหรือว่ารูปร่างหน้าตาดูสวยงามนะแต่ที่จริงหรือเนื้อแท้ของมันน่คือความไม่สวยความไม่งามอันนี้ท่านก็สอนนะว่าเนี่ยในร่างกายที่เราเห็นนะแล้วใครๆเชิดชูเชิด ช, ชื่นชมเนี่ย มันเต็ม ด, ด้วยความไม่งามนะถ้าเรียกว่าอสุภนะการมองแบบนี้คือการมองลบนะเห็นดึความไม่งามของสิ่งที่เค ย, ยชื่นชมว่าสวยงามหรือเห็นความอริดอร่อยนะอันเกิดจากกามนะกามในที่หมายถึง สิ่งที่น่าใครน่าพอใจซึ่งมันมีตั้งแต่รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสท่านก็สอนให้มองว่าเนี่ยมันมันไม่อร่อยนะสิ่งที่เรียกว่ากรารมาสุขเนี่ยหรือว่าการมาคุณเนี่ยที่จริงมันก็เต็มไปได้วยโทษนะ อันนี้มันก็เป็นการมองลบอย่างหนึ่งนะนที่เราสวดทุกวันว่าเนี่ยสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการมองในเชิงลบเหมือนกันนะแต่เราจะไม่ได้เคยคิดเลยว่าเออนี่คือการมองลบนะ การมองแบบนี้แหละที่ทำให้หรือเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเป็นเพราะเราไปมองสิ่งต่างๆว่ามันดีว่ามันประเสริฐว่ามันเป็นสุขเนี่ยจึงไปยึดมันรวมทั้งไปยึดไปคิดว่ามันเที่ยงด้วยก็เลยไปยึดมัน่นถือมั่นมันอุาท่านสอนว่าเียสิ่งทั้งปวงนี่มันเป็นทุกข์นะ แม้กระทั่งสุขที่คนชื่นชมสรรเสริญหรือว่าปรารถนาเนี่ยความเพลิดเพลินะความอร่อยพวกนี้เนี่ยแท้จริงมันก็คือตัวทุกข์หรือว่ามันเป็นสุขที่เจือไปได้วยทุกข์เนี่ยอันนี้คือการมองลบนะซึ่งหลายคนเนี่ย พอได้ได้ฟังแล้วก็จะไม่พอใจนะเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกหรือว่ามันเป็นการชวนกระแสะกิเลสกิเลสมันหรือความหลงเนี่ยมันชวนให้มองเห็นสิ่งต่างต่างเหล่านี้ว่าสวยงามเป็นสิ่งประเสริฐนะเป็นสิ่งน่าใคร่เป็นสิ่ ง, น, น, งน่าเอาน่ายึด แต่ว่าพระเจ้าท่านกลับมองว่าเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมันไม่น่าเอาอะนะพอหนึ่งมันไม่เที่ยงนะสองเพราะมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นตัวทุกข์นะมันก่อความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือเนะี่ยอันนี้แหละนะก็คือการมองการมองลบนะซึ่งมัน อาจจะเป็นลักษณะที่หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่เด่นชัดของพุทธศาสนาจงกระทั่งบางคนบอกเนี่ยพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายแต่ที่จริงพุทธศาสนาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะท่านเพียงแต่มองให้เห็นถึงความจริงอีกด้านหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามหรือไม่ยอมมอง ไปหลงติดอยู่กับด้านที่สวยงามด้านที่น่าเพลิดเพลินอ่ซึ่งมันก็มีส่วนนะท่านจึงเรียกว่ากามเนี่ยเป็นกามคุณหมายความว่ามันก็มีคุณเหมือนกันนะกามนี่ก็มีคุณนะคือมันให้ความอาันตะไรให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นนะ ในเนื้อในตัวมันเนี่ยมันก็คือทุกข์นั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์แล้วก็มันทาความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือท่านก็เลยสอนท่านก็เลยมองท่านก็เลยเตือนให้มองเห็นในแง่นี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธมันนะเพราะามันก็มีคุณก็มีประโยชน์ คันี้พุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้สอนแต่มองลบนะที่พูดมาเนี่ยแม้จะเหมือนว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้มองลบแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะของพุทธศาสนาในบางด้านท่านก็สอนให้มองบวกด้วยเช่นความทุกข์เนี่ยหรือสิ่งที่ ผู้คนเนี่ยไม่ปรารถนาเนี่ยรวมทั้งสิ่งที่ท่านเรียกว่าอนิธารมหลกรถกลิกลก่นเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่น่าใครไม่พึงปรารถนาหรือเหตุร้ายเช่นความเสื่อมลาบเสืดด่อมยศนะคำนินทาหรือทุกเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะมันก็มีประโยชน์ อันนี้เป็นการมองบวกแล้วมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่คนรังเกียจสิ่งที่คนไม่ชอบเนี่ยเนียมันก็มีข้อ ด, ดีนะมันมีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองมันให้เป็นหรือใช้มาให้ถูกไหมอย่างเช่นมีคําสอนหรือพุทธภาษิตเนี่ยบอกว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบก็หมายความในทุกเนี่ยนะมันมีสุข ที่เฉพาะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยถึงจะเห็นหรือพบได้หรือจะเปรียบไปก็เหมือนกับทุเรียนนั่นนะทุเรียนเนี่ยนะมันเปลือกมันทั้งหนาทั้งคมแหลมคมนะแต่ว่าภายใต้เปลือกทุเรียนเนี่ยนะโอ้มันมีรสชาติมันมีเนื้อที่หวานที่อร่อยที่หอมนะอันนี้ในความ รู้สึกของคนส่วนใหญ่นะภายใต้เปลือกที่คมนะมีของดีนะซ่อนอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยทุกเนี่ยมันก็มีสุขที่ซ่อนอยู่หรือซ่อนอยู่เหมือนกันแล้วผู้มีปัญญาเนี่ยนะแม้ประสบทุกเนี่ยจึงก็ย่อมหาสุขพบจนะมีคำสอนมากมายที่ท่านสอนว่านี่ทุกนี่มันก็มีคุณนะ มันมีประโยชน์จริงเนี่ยจะเข้าถึงอริยสัจข้อที่3เนี่ยคือนิโรธเนี่ยนะมันก็ต้องผ่านทุกก่อนนะซึ่งเป็นอริยสัจข้อแรกถ้าไม่รู้จักทุกนะไอการที่จะเข้าถึงนิโรธเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ผ่านอริยสัจข้อแรกแล้วข้อที่2เนี่ยจะเข้าถึงอริยสัจข้อที่3มเนี่ย มันยอมเป็นไปไม่ได้ฉนั้นต้องเจอทุกจนรู้ทุกนะจึงจะพ้นทุกได้นะหรือเข้าถึงความสงบเย็นที่จริงไม่ต้องถึงขั้นนิโรธก็ได้นะคนทั่วไปก็รู้ดีว่าเนี่ยให้ความทุกมันก็มีประโยชน์นะความยากจนนะมันก็มีส่วนสร้างคนให้เข้มแข็งทาให้ เป็นคนเด็ดเดียวหรือเป็นคนที่รู้จักพึ่งตนเองผู้ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจไม่ใช่เฉพาะเศรษฐีแต่ว่าในทางวิชาการในทางการแพทย์หลายคนนี่เาก็ที่เข้ามาถึงจุดนั้นได้เพราะเขาเคยเจอทุกข์โดยเฉพาะในวัยเยาว์ในทุกข์นั่นแหละที่มันทามันกลั่นนะมัน ทำให้เขาเนีมีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็ทำให้เกิดสติปัญญามีความภาคเพียร น, นั้นทุกเนี่ยมันก็มีประโยชน์มีเพียงคนนึงเนี่ยป่วยเป็นทรารซีเมียตั้งแต่เกิดผู้ไว้ดีนะทั้งที่ทรารซิเมียเนี่ยมันทาให้เธอนี่เนะจ็บป่วยตลอดชีวิตร่างกายแข็แกนต้องรับเลือดเป็นประจำ แต่ว่าเธอก็อยู่กับมันได้โดยที่ไม่มีความทุกข์เธอบอกว่าเนี่ยไอ้การมีความสุขมากๆเนี่ยไอ้ทำให้เราหลงลืมนะแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราหันกลับมามองความจริงของชีวิตก็คือทําให้เราเห็นความจริงของชีวิตและความการเห็นความจริงของชีวิตนี่แหละเรียกว่าปัญญาซึ่งมันสามารถจะช่วยพาจิตใจหรือชีวิตของเราเนี่ยให้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปได้ กายยังทุกข์อยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วนั่นจะว่าไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาฉนันก็สอนให้รู้จักมองบวกเหมือนกันนะไม่ใช่มองแต่ลบอย่างเดียวเราจะเคยได้ยินคำสอนเนี่ยที่เราดีบ่อยๆนะที่พู้เจ้าตรัสว่านเนี่ยให้คำตำหนิติดเตียนมันคือการชี้ขุมทรัพย์ ให้มองว่าผู้ที่ตาหนิติเตียนเราเนี่ยเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เรานันนี้ก็คือการมองบวกนะให้เห็นว่าคำตัณนิตเตียนซึ่งโลกไม่ชอบผู้คนนะไม่ปรารถนาเนี่ยโอ้แต่มันมีประโยชน์มันคือการชี้ขุมทรัพย์เลยทีเดียวให้กับผู้ที่มีปัญญาเรื่องที่ ผู้ที่ก่อสร้างก่อตั้งเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิลเียมพันเนี่ยแกพูดน่าคิดทีเดียวนะว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้เป็นอัปมงคลก็หมายความว่าคําตําหนินั่นเนี่ยมันเป็นมงคลมันเป็นประโยชน์นะหรือที่บางท่านบอกว่าเนี่ยคำต่อว่าดาทอนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยขูดกเกากรีด เป็นสิ่งที่ช่วยลดอัตราซึ่งล้วนแต่เป็นของดีนะท่นนานทมอมแับ น, นี้เนี่ยนะก็คือการมองบวกอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่เสมอนะใครที่รู้จักหาประโยชน์จากอนิจฐารลมพูดนั้นแหะเป็นบัณฑิตนะอนิจฐารมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่อาจจะเผ็ดแสบ หรือแสบร้อนนะในสายตาคนทั่วไปแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นั้นถ้าเราดูพ่จะให้ถี่ถวนเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนทั้งการรู้จักมองลบและมองบวกนะเพียงแต่ว่าเป็นการมองแบบทวนกระแสทวนกระแสชาวโลกทวนกระแสกิเลสหรือเป็นการมองย้อนสอนในขณะที่คนลหลงใหลในความสุขท่านก็บอกว่าเนี่ยสุขนี่มันไม่น่าลหลงใหลนะ มันเป็นทุกข์นีที่คนลหลงไหลในร่างกายท่านก็บอกว่าอย่าไปลหลงไหลมันนะมันไม่งามนะในขณะที่คนไปยึดติดเจียงต่าง่ท่านก็บอกมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์แม้กระทั้งสุขนี่ก็เป็นโทษเช่กันแต่ในขณะที่คนรังเกียจนะอยากอยู่ห่างไม่ปรารถนาความทุกข์เวลาขอพรหรือเวลารับพร น, นี่ก็ บางทีก็อยากให้พระให้พรว่าเนี่ยอยากได้รู้จักทุกอยาได้เจอทุกเนี่ยแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าก็ บ, บอกว่าเนี่ยไอ้ทุกนี่มันก็มีคุณนะมีประโยชน์นะช่วยทําให้พ้นทุกได้มีความพูดของหลวงพ่อพุทธนะที่สรุปนะมุมมองพุทธศาสนาทั้งสองด้านเอาไว้ดีนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเามื่อรู้ธรรมแล้วเนี่ยนะก็จะ เห็นโทษของสุขและเห็นคุณประโยชน์ของทุกนะวันนี้คลุมเลยนะทั้งการมองลบและมองบวกของพุทธศาสนามองลบคือมองเห็นว่าเนี่ยความสุขนี่มันมีโทษมองบวกคือมองว่าความทุกข์นี่มีประโยชน์นะเป็นคำพูดที่เรียกว่าสรุปนะความเป็นพุทธศาสนานะว่า มีมุมมองเนี่ยทั้งสองด้านแล้วก็เป็นมุมมองที่ย้อนสอนนะหรือววนกระแสกิเลสถวนกระแ ส, ะะสะชาวโลกที่จริงคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละนะท่านพยายามบอกพยายามเตือนให้เราเนี่ยนะไม่ไปเพลิดเพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกในยามที่เรามีความสุขดี มีสุขภาพมีกะลาวังชานะหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมันล้นลาเนี่ยท่านก็บอกเนี่ยเราถูกความทุกข์อย่างอืแล้วนะเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะเราต้องเจอความพัดพลาดต้องเจอความสูญเสียนะความเจ็บความป่วยความแก่ชาราความพัดพลาดจากของรักของพ่อของความพัดพลาดจากของรักคนรัก เรื่องั้งความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพนะ้นท่านเตือนเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้เราเนี่ยหลงเพลินในชีวิตในความสุขที่กาลังมีอยู่แต่ในเวลาที่เราเจอทุกเนี่ยนะท่านก็สอนให้เราเนี่ยนะอย่าไปจมอยู่ในความทุกนะเพราะว่าทุกมันก็มีประโยชนนะ์ที่ช่วยทำให้พ้นทุกได้แต่คนไม่เข้าใจนะก็เลยไปมอง พุทธศาสนาแต่เพียงบางแง่าบางด้านเช่นมองว่ามองในแง่ร้ายนะจนกระทั่งบางทีเวลาบอกพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้มองบวกด้วยเนี่ยบางคนก็บอกอมีด้วยเลยนะพุทธศาสน า, าให้มองบวกเพมีเลยมีเยอะเลยนะรวมทั้งตัวอย่างของพระปุณนะนะที่ท่านบอกว่าเจออะไรก็ดีทั้งนั้นแหละเจอใคร เจอคนด่าว่าท่านก็บอกว่าดีดีกว่าเขาเอาถินมาคว้างเขเอาหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาไม้มาฟาดเขาาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาของแหลมมาแทงเขของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเข้าสัตรามาค่ายตายแม้กระทั่งเขาสัตรามาค่ายตายก็ยังดีนะดีที่ไม่ต้อง ดีพาะบางคนเนี่ยเบื่อหน่ายในร่างกายเบื่อหน่ายในชีวิตยังต้องไปขนไควาหาศัตรามาทำร้ายตัวเองหรือไปจ้างคนมาทำร้ายตัวเองนี่มีคนมาทำให้จึเรียกว่าดีเลยนะวันนี้พระปุณณนะ์ทูลต่อพระเจ้านะพระเจ้าก็เลยสาธุนะแล้วก็ให้ท่านไปเมืองสุนปรพันธะซึ่งเป็นเมืองที่มีคนดุนี่เป็นตัวอย่างการมองบั แล้วก็ตามเนี่ยท่านไม่ได้สอนแตเพื่อให้มองลดละมองบวกนะยังสอนให้รู้จักมองเป็นกลางๆงด้วยนะมองทั้งมองเป็นกลางๆล า, นะ า, น, ล า, ลานี่ท่านก็สอนนะโดยเฉพาะเวลาภาวนาเนี่ยในขั้นที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือแม้แต่การเจริญสตินะที่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยต้องก็สอนให้รู้จักมองเป็นกลางๆนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านนามานํามาแสดงนํามาชีนาน้นํามันเล่นได้ชัดเจนนะเช่นคำสอนว่าให้รู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่อเนี่ยคือว่าไม่ตามแล้วก็ไม่ต้านเมื่อมีอารมณ์หรือความคิดใดเกิดขึ้นมีความโกรธนะมีความเกลียดเกิดขึ้นก็แค่ดูมันเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรกับมัน จะไม่ทำอะไรกมันมหรือดูมันเฉยๆได้ก็เพราะมองว่ามันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วในตัวมันเองนะความโกรธมันกนะ็ท่านสอนว่าเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นความคิดไดเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติก็อย่าไปตัดสินอันนี้ภาษาของคนสมัยใหม่นะพิจารณาหรือมองมันเฉยๆคือไม่ตัดสินว่าดีว่าชั่ว พอถ้าตัดสินว่าดีเนี่ยก็จะโถมเข้าไปหาเข้าไปยึดเช่นสงบนี่พอเห็นว่าดีก็เข้าไปยึดโกรธนี่ไม่ดีก็ไปผักสายกดขมนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นหนทางของการเจริญสติแล้วก็การบำเพ็วิปวัสสน า, าเราต้องรู้จักมองด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ตัดสินว่าเป็นบวกหรือเป็นลบ เพราะถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางไอ้การรู้ซื่อๆก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเห็นมันตามที่เป็นจริงว่ามันมาแล้วก็ไปนะมันไม่เที่ยงมันไม่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เรานดูไปดูไปจนทั่งเห็นว่ามันไม่มีเราเลยด้วยซ้าแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราก่อนที่เห็นว่าไม่ใช่เราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ เราต้องจังมองต้องรู้จังมองแบบนี้ด้วยนะคือมองโดยไม่มีโดยไม่มีการให้ค่าว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะอันนี้มันเป็นการมองที่อยู่เหนือบวกหรือเหนือลบแล้วนะแล้วถ้าเราจอรัตติเนี่ยถ้ายังมีการให้ค่าว่าบวกและหรือลบเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้ที่จะไปกดข่มความคิดบางความคิดแล้วก็ไปยึดติดกับอารมณ์บางอารมณ์ ซึ่งก็ทําให้การปฏิบัติไม่ก้าหน้าในเรื่องต่ที่เป็นสมสถานนี้ก็อาจจะทําได้นะความคิดอารมณ์บางอย่างไม่ดีก็เปลี่ยนมันหรือกขมมันซะมีความโกรธก็เอาความเมตตาไปจัดการให้มันหายโกรธนะหรือว่ามีโลภมีราคะนะก็เอาอาสุภะเข้าไปข่มให้มันสงบให้มันฟอ นะในระดับที่เป็นสมถกรรมฐานนี่มันอาจจะมีก็ยังมีการให้ค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีความคิดนี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีแต่พอระดับวิปัสสนาหรือแม้แต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันไม่มีการตัดสินหรือให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีทิ้งเลยนะการมองบวกมองลบเนี่ยมองด้วยความเป็นกลาง และต่อไปเมื่อจะทำให้เข้าถึงนะความจริงในระดับที่เป็นปรมาทสัจจะเพราะว่าความจริงในระดับที่เป็นปรมาทสัจจะเนี่ยมันไม่มีสวยไม่มีหน้าเกลียดนะมันไม่มีหอมไม่มีเหม็นนะไอ้สิ่งที่ยังมองว่าเป็นสวยงามไม่สวยงามนี่มันก็ยังเป็นสมมุติสัจจะจากระดับที่เป็นปรมาทสัจจะแล้นมันเหนือนะความสวยงามความไม่หรือความน่าเกลียด มันเหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์เลยด้วยซ้ำหรือจะพูดว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะไม่มีดีไม่มีชั่วมันพ้นจากการมองลบและมองบวกนะแต่ว่านั่นเป็นระดับปรมาสัจจานะในระดับที่เรายังอยู่ในโลกนะก็ต้องอาศัยสมมุติสัจจ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมองลบมองบวกก็ยังจําเป็นแต่ข้อสำคัญคือว่าใช้ให้ถูกใช่ให้เป็นเนะพราอไม่งั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดนะ ความยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดหรือการผักใสในสิ่งที่ไม่ควรผักใสก็ได้